ขอความสุขความเจริญจะมีแต่ท่านผู้ฟังทั้งหลายแต่ร่มรโรโพติญานในวันนี้ก็จะพูดเรื่องประเภทแทงทานบา ร, รมีต่อไปในชุดต่อไปนั้นเป็นการจาแนกโดยการกระทาก็บาลีใช้คำว่าสาหติกระทานคือทานที่ทาด้วยตนเอง ไม่ว่าจะเป็นการให้วัตถุสิ่งของอะไรแก่ใครโดยการอนุเคราะห์โดยการสงเคราะห์โดยการบูชาก็าตามคือทํำด้วยมือตัวเองติประการหนึ่งนั้นโอกาสมันอาจจะไม่ให้หรือว่ามีความจําเป็นอะไรอยู่หรือว่าไปสงทบร่วมกับคนอื่นก็เรียกว่าอานัตติกฐานคือฐานที่ใช้ให้บุคคลอื่นทาแทน แต่ในกรณีตัวนี้เราสังเกตนะว่ามันมีกิจกรรมอย่างหนึ่งที่ค่อนข้างจะแพร่หลายในสังคมไทยแล้วเราก็ได้ยินเสียงค่อนแคะเสียงท้วงติงเสียงตำหนิก็ส่วนใหญ่มักจะออกมาจากปากของนักวิชาการซึ่งก็มีโอกาสพูดมากกว่าคนอื่นคนนี้ได้โปรดสังเกตว่า ในการทำทานเนี่ยตามปกติแล้วเราก็อยากจะชวนคนอื่นทำด้วยเพราะฉะนในแง่ของความเป็นมิตรเนี่ยคนที่ชวนเราให้ทานแสดงว่าเจตน า, าดี <Yeah. S 1> หวังดีกับเร า, าชวนเราทำทำทำดีเออถ้าก็ชวนดื่มเหล้าชวนเสพยาบ้าชวนไปฆ่าคนจึงจะว่ากันนะค แนวตัวนี้พระเจา้าทรแสดงว่าบุคคลบางคนนั้นให้ทานด้วยตนเองแต่ไม่ชักชวนบุคคลอื่นผู้นั้นจะสมบูรณ์ด้วยพวกสมบัติในชาติที่ตนเกิดแล้วแต่ว่าจะขาดแคลนบริวารสมบัติคนบางคนนั้นเก่งในการชักชวนคนอื่นให้ทานแต่ว่าตนเองไม่ได้ให้ทานบุคคลเหล่านี้ก็จะสมบูรณ์ด้วยบริวารสมบัติแต่จะขาดแคลนพวกสมบัติ คนบางคนนั้นให้เองก็ไม่ให้ชักชวนคนอื่นก็ไม่ชักชวนก็เป็นคนขาดแคลนทั้งพวกกสสมบัติและบริวารสมบัติโดนยากจนขัดสนนานาถาหาที่พึ่งไม่ได้แต่คนบางพวกนั้นให้ทานด้วยตนเองด้วยแล้วก็ชักชวนบุคคลอื่นให้ให้ทานด้วยตรวนี้จะเป็นผู้สมบูรณ์ด้วยวกสสมบัติและบริวารสมบัติในชาติที่ตนเกิดแล้วและเกิดแล้วนะสนใจค่าอย่างนั้นเด แต้องเาภาษาดิบุตรก็ได้แสดงก็ความเหมือนกันเรียกว่าทุกตัวอักษรเลยนั้นก็แสดงว่าในแง่ของความเป็นจริงแล้วเนี่ยการให้ทานในกรณีที่ใช้คนอีกนทาแทนเนี่ยมันก็ออกมาหลายแนวแนวหนึ่งก็คือการบริจาคสมทบกับคนอื่นเชนคนก็ชวนไปทอดปลาทอดกะทิทำบุญกุศลอะไรเราก็ร่วมมืทนาเข้าไปเราก็ไม่ได้ทำด้วยมือตนเองเหมือนกัน แต่เอาฝากฟังคนอ่นนับแทนแต่ว่าตัวการสำคัญวเจตนาเราต้องเป็นกุศลไงเจตนาเราต้องดีไม่ใช่ว่าทำแกนๆ ก, กันไปอย่างท่านพระเจ้าปายาสิปายาสิราชันปายาสิมันท่านถูกเฉียงกับพระกุมารกัดสระเรื่องความมอยู่ของบาปบุญในรกสวรรค์ และในที่สุดท่านก็พ่ายแพ้เพราะว่ามันจำา น, นด้วยเหตุผลแต่ว่าจิตใจท่านเองไม่ได้หนักแน่นอะไรในบุญในบุญสนหรอกแต่เพื่อจะแสดงให้คนอื่นเห็นว่าท่านสนใจในการให้ฐานอักษาศีก็จะตั้งโรงฐานขึ้นแล้วก็งอบมาอุตรามาอุตระมานบเนี่ยเป็นคนทาหน้าที่จัดการ แต่ของที่ท่านนำมาบริจากนั้นมันเป็นของประเภทที่เรียกว่าทาตสถานในวันก่อนนะคือขวงหยาบหยาของไม่ค่อยมีค่าราคาข้างงวดอะไรอุตต ร, รมนุษย์เขาก็มาทำบุญด้วยเอาของดีมาถวายมาแจกทานต่อมาทั้งสองฝ่ายนะันก็ตายไป ปลายาชิราชันก็บังเกิดในเสลิสากะาวิมานก็เาเรียกมานว่างๆร่องๆไม่มีอะไรแต่ว่าอุตละมนต์นั้นขึ้นอยู่บนสวรรค์ชั้นดาวบันดึงือขึ้นไปสูงกว่าเจ้านายก็ตัวเองเพราะอะไรเพราะว่าปลายาพระเจ้าปลายาสีนั้นไม่ได้ทํำด้วยเจตนาที่เป็นกุศลมีความขมข้ น, นผดซุ้มควรนะฮะแต่ว่าอุตละมนต์ถึงแม้จะเป็นคนรับใช้เนี่ย มันก็ทําด้วยจิตที่เป็นกุศลและโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือว่าทําด้วยตัวเองด้วยปฏิบัติตามคําสั่งของพระเจ้าปาญาสีด้วยท่านก็มีบุญกุศลมากกว่าเพราะในกรณีที่บางครั้งบางคราวทีมีคนถามเช่นว่าตัวเองต้อรีบไปทํางานแล้วก็มอบหมายให้คนที่บ้านเขาช่วยทำบุญดับบาทแทนอันนี้ไม่แปลกอะไรนะคือว่า ให้เจตนารักษากุศลและเจตนาของเราให้ดีก็แล้วกันจุดต่อไปนั้นเป็นการมองอีกจากมุมหนึ่งบอกว่าสามปัญชานฐานคือการนำทานที่ประกอบด้วยความรู้ความเข้าใจในผลของการกระทานั้นหมายความว่าทำยังไมีเหตุผลอย่างที่บอกไว้ในตอนต้นว่าทุกครั้งที่มีการให้ทานเนี่ย มันเกิดปัญญาพิจารณาเห็นคุณค่าของการให้แล้วก็โทษของการไม่ให้แล้วก็ได้เชิงที่เป็นผลจริงๆการให้มันเป็นพัฒนาการในจิตปัญญาที่สร้างเสริมภูมิจิตภูมิธรรมแล้วก็พบที่จิตจะไปบัติในโอกาสต่อไปที่สำรวจบาลีบอกว่าตกแต่งพภพชาติในแบบนี้ขึ้นในตัววัตถุสิ่งของเราไม่สนีทแล้วเราก็ไม่ห่วงไม่โลภ ในตัวผู้รับเราก็มีความรู้สึกดีนะฮะก็แล้วแต่รู้สึกอย่างไงแต่รู้สึกในทางที่ดีก็ให้ทานออกไปก็แสดงว่าเป็นการกระทาโดยปัญญาไม่จะทำแบบส่งๆเวลานี้มันก็ค่อนข้างมีปัญหาวันก่อนเนี่ยก็มีข้าราชการมาหากันหลายคนก็เป็นพวกทหารนะแล้วก็าก็เล่าออฟังถึงวระเวณี มีข่าวคราวเรื่องของพระไม่ดีได้เกิดเยอะมากเลยเกิดอธิบายเขาฟังว่าอธิจริงมันก็ไม่เคยมากหรอกแต่เทียบเปอร์เซ็นต์คนนั่นนะเพียงแต่ว่ามันก็เล่นดูข่าวเดียวได้เป็นปีๆซ้ำแล้วซ้ำอีกแล้วก็อีกจังนึงเนี่ยคนที่เข้ามาบวชมันก็คือลูกชาวบ้านเนี่ยมันไม่ใช่ว่าเป็นคนสาเบ็จรูปมาไม่ใช่บริสุทธิ์หมดจดจากอาสวัิเลีมา ทางวัดเองก็ต้องทำหน้าที่ฝึกปลืออบรมกันไปแล้วก็แม้ตัวครูบาอาจารย์เองก็ใช่ว่าจะสมบูรณ์นะฮะก็ต้องฝึกปลุออกอบรมกันไปเรื่อยๆตอนนั้นก็ถ้าจะมองก็ขอให้มองว่าเหมือนกับพวกคุณนั่นแหละพระก็มาจากสังคมไทยแบบคุณคุณก็มาจากสังคมไทยแบบพระคุณก็ต้องฏิบัติตามกฎเกณฑ์ระเบียบแบบแผนต่างๆพระก็ต้องปฏิบัติมากกว่านั้นอีกเพราะนั้น ไอโอกาสจะทํำสมบูรณ์มันก็ต้องน้อยเป็นธรรมดาหรือประการหนึ่งมันก็มีการกระทําของพวกเหลวร้ายทั้งหลายที่รอมบวตี่เยอะเหลือเกินแต่ามาตรการทางบ้านเมืองนี่ก็ช่วยอะไรศาสนาไม่ได้ก็ปล่อยก็ทํากันไปแกปัญหายาบ้าก็แกไม่ได้แกปัญหาโรคเอ็กก็แกไม่ได้แกปัญหาจากรรมก็ไม่ได้ปัญหามันเยอะ เพรา ะ, ะนั้นก็ต้องใช้เหตุผลใช้สติปัญญาหน่อยในการจะให้ทานแก่ใครอย่างไรหรือไม่ใช่ว่าพอกขาบอกแล้วก็ให้ไปเลยว่าต้องมีเหตุมีผลพอสมควรแล้วก็มีที่อ้างอิงมีที่ไปที่มาพอควรแก่การเชื่อถือได้นะจึงให้ อ, อกไปแล้วก็ในฐานะที่ก็เป็นทหาร บางท่านรู้สึ ก, กว่าคนหนึ่งเป็นพันเอกพันเอกอยู่สองคนนะครับว่ากูบอกว่าในฐานะที่เป็นทหารนะใช้แนวข่าวกรองหน่อยก็ไ้กันอย่าใช้แนวข่าวสารข่าวมโนสารเล่ห์นะข่าวลือให้ใช้ข่าวกรองคิดตัวเหตุโดยผลท่านกล่าวว่าวิเจอยดาันังสุกตับปัสสัททัง การใขค้ควรพินิจเป็นณาให้ดีซะ ก, ก่อนแล้วจึงให้เนี่ยเป็นการกระทําที่พระสุคตเจ้าทรงสัรเสริญโดยเฉพาะคืออยากจะเน้นย้ำนะฮะว่าการให้ทานเวลานี้บางทีเราอ่านบางทีก็ฟังดังวิทยุก็ดีนะอ่านดังหนังสือพิมพ์ก็ดีเราเรารู้สึกขยะขยงวิธีพูดวิธีอะไรเนี่ยมันพูดแสดงถึงโลภโมหะเยอะเหลือเกินนะ่ะ คือมั่งแต่จะได้มันแสดงความเย็งแก่ตัวและการสำคัญเนี่ยพระเจ้าทรงวางไว้ว่าพระจะเข้าไปสู่สุกุลเพื่อบินทบาตนี่แหละมันก็ต้องทำตัวเหมือนมแมลงผู้มแมลงผึ้งที่บดินเข้าสู่สวนของดอกไม้ไม่ทำสีกลีบกลิ่นของดอกไม้ชอกช้ำก็ถือเอาเฉพาะน้ำหอมแล้วก็น้าหวานแล้วก็บินไป ไม่มีนควรเข้าสู่บ้านอย่างนั้นแต่ในส่วนชาวบ้านเองก็สงสอนใด้มอง 3, สามสองเรื่องใหญ่ๆนะเรื่องกำลังทรัพย์ที่เราจะให้เรามีมากพอไหมสองกำลังศรัทธาที่ใครจะให้เรามีมากหรือเปล่าทีนี้พวก น, นี้ทาหากว่ามากด้วยกันทรัพย์ก็มากศรัทธาก็มากก็ตามอัธยาศัย แต่ศรัาทธาน้อยทรัพน้อยก็ตามอธัธยาสัยแต่ทีนี้ถ้าศรัท ธ, ธามากทรัพน้อยนี่ต้องให้ตามกับบางทรัพย์ถ้าศรัท ธ, ธาน้อยทรัพย์มากเนี่ต้องให้ตามกับบางศรัทธาคือต้องมีความสุขเป็นผลนั่นคือประเด็นของการทําบุญเพราะทุกครั้งที่เป็นการให้ทานเนี่ยจะต้องผ่านการกันกรองกา ร, กการคิดวินิพจฉณาโดยรอบคอบแล้วไม่ใช่ทาโดยไม่ได้คํานึงนึกถึงอะไร ลย่าลื่อเราอย่างไรก็ไม่ใช่พระโพธิสัตว์นะคือไม่ใช่บำเพ็ญบา ร, รมีแบบพระโพธิสัตว์พระโพธิสัตว์ต้องทําได้เมื่อบา ร, รมีท่านแก่กได้แล้วแล้วคนรอบข้างของท่านก็เข้าใจเหตุผลของท่านก็ยังทําได้แต่ว่าเราก็เชื่อว่าโดนสเสด็จรอยเท้าของพระโพธิสัตว์ไปอีกประการหนึ่งนั้นเขาเรียกว่าอสัมปชานญฐาน คือการทำทานที่ไม่มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องกรรมแล้วก็ผลของกรรมก็ว่าก็าไปแบบกุนพลอยพยักนะตอนกระบวนการของทานเนี่ยมันเป็นกุศลกรรมอมัมรอผลเป็นความสุขเพราะงั้นตัวปัญญาจะต้องจำแนกแย ก, แ ก, แกเห็นชัดเจนพอสมควรแล้วก็สามารถเชื่อมโยงได้ ที่สำคัญในในปัจจุบันก็เรียกว่าเป็นทิตรธรรมเนยให้เราสังเกตว่าคนที่หนักแน่นในฐานไม่ยากจนนะแล้วพระที่มีน้ำใจอบอ้อมอารีเพื่อเผื่อแผ่สงเคราะหนุเคราะห์คนอื่นแต่ตามกระ า, างความสามารถของท่านท่านเราก็ไม่ได้ร้อนนั่นนะมันมีคนมาร่วมมาให้มาบริจาคมันก็เหมือนกันเนี่ยตัวอย่างพระดังๆเนี่ยหลวงพ่อคูณก็ดี อาจารย์บัวก็ดีเนี่ยอาจารย์สีที่อะไรอะวัดที่ร้อยเอ็ดน่ะท่านเรามีเขาให้มาเท่าไหร่ท่านก็ให้ออกไปท่านก็สงเคราะห์เคราะหช่วยเหลือคือกูลกับบุคคลอื่นที่เขาถวายส่วนตัวท่านนะครับพรานพระที่ทํางานได้มากๆเนี่ยเขาต้องถวายแก่ท่านเป็นการส่วนตัวเอาไรเป็นการสงท่านก็เอาไปแตะต้องอะไรไม่ได้เลยเนะย ตรงเนี้ยคนข้างนอกไม่ียเยอะที่พูดกันไม่เข้าใจอะไรแต่ทาไมให้พระเป็นการมันตัวให้วัดให้วัดก็ตายประเดีย๋ยมัติดคุกเลยมันกระจายได้เฉพาะในกิจกรรมของวัดเท่านั้นเองถ้าต้องการให้มีความค่องตัววัดเวลาเนี้ยเขาจึงตั้งเป็นบุดิธิและกลําหนดวัตถุประสงค์เพื่อวัตถุประสงค์มันกระจายวัตถุประสงค์กระจายแล้วมันจะทํางานได้ง่าย จากรายการได้ร่วมพทธิยานเนี่ยอาตมาทาในนามกองทุนจารตานุภาพก็เป็นทุนที่ลึกศิษยลูกหาญาติโยมที่คุ้นเคยสนิทสนมกันเขาช่วยคือมาอยากจะทำงานด้านการศึกษาด้านการเผยแพร่ละดานด้านการพิทักษรักษาความมั่นคงของพระพุทธศาสนาเราใช้คำที่มันกระชับคือการศึกษา เราจัดการเองก็ได้ส่งเสริมสนับสนุนคนอื่นก็ได้ให้ทุนนักเรียนนักศึกษาก็ได้นะก็แล้วแต่ถ้าเรามีมากๆเนี่ยเราก็จ่ายไปได้เลยการเผยแพรแ่ก็เหมือนกันนะครับแฟเอกสารก็ได้โทรทัศน์ก็ได้วิทยุก็ได้ส น, สนับสนุนจัดกิจกรรมเข้าค่ า, า, ายก็ได้อะไรนี่มือว่าได้เยอะเลยพิรุธความมั่นคงของพระพุทธศาสนาก็ยิ่งกรอบมักว้างใหญ่แล้วเราก็ทํางานสร้างตัวถ้าว่าเรามีความรุดมากิ่งขึ้น เ้าก็มันไม่ผิดวัตถุประสงค์แต่วัดเนี่ยมันไม่ได้เราเงินวัดมันจ่ายายากอแตมาแม้แต่ตแเคยเป็นสมผานอยู่เนี่ยไม่ยุ่งเลยนะเงินวัดจะไม่ยุ่งเลยวิยาวิาจกรรับมาเองจัดการเองดูแลกันเองเรวก็ทำอะไรให้เซนก็เซ น, นให้แต่ก็ไม่รับรู้นะคิดเกียจยุ่งมันยุ่งยิ่งเยอะเยอะแต่ว่าถ้าเราทำเป็น รูปมูลิติรูปกองทุนหรือว่าถวายท่านใการส่วนตัวที่เหมือนกับเราถวายพระ บ, บาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโดยสเสด็จพระราชกุศลตามพระราชยาศัยนั่นแหละเยี่ยมมากเลยจะทำงานได้เร็วคือเราเชื่อมั่นในท่านคนะก็ตามพระราชยาศัยละกันก็ตัดสินใจยังไงก็กถือว่าถูกนันดีต้งนั้นวนันนโมทนา เพราะฉะนวัดบางวัดเนี่ยเราจะเห็นว่าอย่างพระอาจารย์บัวเนี่ยวท่านหลวงพ่อคูณเนี่ยท่านอาจารย์คูณเนี่ยคือเขาก็ถวายท่านน่ในกรณีที่เขาถวายวัดก็เข้าวัดไปเลยเรียบร้อยไปเลยก็ช้ได้เฉพาะในวัดบรรไร้วัดป่าบรรดาศแต่พอดีลูกศิษย์มิยมถวายเป็นการส่วนตัวท่านก็ทําให้ท่านมีโอกาสได้ช่วยเหลือสังคมแต่ว่า คนเนี่ยถดมากเขาคิดโดยพื้นฐานเขาคือเขาไม่รู้ว่าพระที่บวชมาเนี่ยเขาคิดแบบพื้นฐานพระนะฮะก็ไมนไี้คิดแบบพื้นฐานของคนทั่วไปหรอกคือพอได้เะไมาคิดว่าจะให้ที่ไหนพอได้เนี่ยมันคิดจะให้ที่ไหนหรือจะทาอะไรได้มันเป็นประโยชน์แก่สังคมมันคิดคนลเรื่องกันแล้วก็สื่อสารกันไม่ค่อยจะได้ นคนที่เขาเข้าไปให้ไปดูแลท่านเหล่านั้นโฉนมากคนที่คุ้นกับท่านคนนี้จากอัจฉริยะใการทำงานของท่านเนี่ยมันเกิดสตาร์เลื่อสายเราเข้าไปร่วมกับท่านก็แสดงว่าแนวตรงนี้ก็คือแนวของการให้แก่บุคคลอื่นแล้วก็ใช้ปัญญาเป็นหลักแต่ว่าเราก็ต้องเชื่อมโยงกับกฎแห่งกรรมได้อันนี้เป็นเรื่องสำคัญนะนะ อันนิสสุของฐานอย่างที่บอกไ ว, ว้ว่าบางทีี่เราสัมผัสได้ในระยะใกลๆ้ๆะนะอตาตมาเองมีเคยเจอหลายครั้งแล้วก็นุงงเลยนะมันมาเร็วมาเกินที่เร็วมากๆในคราวหนึ่งหลมงตาท่านตายอยู่ที่ต่างจังหวัดก็หารถไปไปกันพระกันไปกันเยอะนะคันรถหนึ่งจดบัสเล็ก แล้วก็ไปจัด ก, การทํากุศลบุญอุทิศกุศลให้ท่านก็ถวายเองนะฮะคือมีอะไรเราก็ถวายหมดเลยพอ เ, เสร็จแล้วเราก็กลับมามาเทศที่โบวชพระแก้วพอเทศเสร็จมีคนเอาของมาถวายนี่มันเยอะจริงดูดูเหมือนกับย้ายมาที่ที่เราถวายไว้มื่ขึ้นก่อนแล้วยังเงเอ๊ะทําไปมันมาเร็วเลยแก แล้วเสร็จแล้วเราก็ไปจากต่อไปเพราะงั้นเป็นเป็นเรื่องที่ไม่ใช่ทําแบบอะไรล่ะคนตัดฟืนกัเทพารักษ์ก็คนตัดฟืนคนหลัง น, นนะฮะแต่ว่าต้องเป็นแบบคนแรกก็คือทําด้วยความสุจริตใจประเด็นประเด็นสําคัญว่าเราอย่าทําด้วยโมหะต้องทําด้วยปัญญาสามน่งเนี่ยสัมประชานะทานนี่ยนะคือเป็น การใช th ja th ้ปัญญาพิจารณาโดยเหตุด้วยผลแล้วก็ม่งเห็นเป็นกระบวนการของกรรมในเรื่องของทานเนี่ยพระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงแก่ท่านเสนาบดีซึ่งในการต่อมาเนี่ยท่านเป็นพระราหันะครัองค์บทแต่ในสมัยนั้นท่านยังเป็นเสนาบดีอยู่ว่ถามถึงอนิสงส์แห่งทานพุทธเจ้าทรงแสดงเฉพาะตรงนั้นกับท่านเนี่ยนะ เขาแสดงไว้หกข้อด้วยกันว่าผู้ให้ทานจะเป็นที่รักเป็นที่รักของคนที่รับทานเกียรติคุณในดีงามของผู้ให้ทานจะพุ่งกระจรกระจายไปในที่ทั้งหลายลสัตว์บุตรษคือคนดีจะยกย่องกับผาสมาคมกับผู้ให้ทานแต่ผู้ให้ทานจะเข้าไปในสถานที่ใดก็ตามจะมีความองอาจละหารไม่ขั้งข้าำขำเกรงในสมาคมเราดันแล้วข้อที่ห้าเนี่ย คนที่ให้ทานนั้นจะไม่หลงตายคือจะมีสติตายและตายไปแล้วก็จะบังเกิดในสุคติโลกสวรรค์ตรงนี้เห็นไม่ผลของกรรมทานนั้นเป็นกุศ ล, ลกรรมเป็นบุญเราเรียกว่าทานอเมยคือบุญที่สาเร็จโดยการให้ทานเจตนาประกอบด้วยอโลมผะโทสะโมหะคือไม่ลบไม่โกดไปหลงดังกล่าวแล้วก็ให้ออกไป พอเมื่อให้แล้วมันก็มีผลผลที่เราสัมผัสในขณะนั้นก็คือสุขใจที่ได้ให้ในแง่ของสังคมก็คือสังคมยกย่องส่งเสริมในแง่ของผู้รับผู้รับก็มีความมีมิตรมตรกับเราแล้วก็ในแง่ของสัตว์บุรุษเขาก็ส่งเสริมสนับสนุนยกย่องแล้วก็สังคมก็ต้อนรับมันก็เป็นเป็นสิ่งที่เราสัมผัสในปัจจุบัน พลังจันทรียันเสนาบดีจึงกล่าวทูลพระพุทธเจ้าว่าสี่ข้อแรกนี่ข้าพระองค์ไม่ต้องเชื่อพระผู้มีประภาคก้าวก็ได้เพราะข้าพระองค์ในฐานะที่เป็นฐานบดีคือยินดีในการให้ทานอยู่เสมอเนี่ยสัมผัสเรื่องนี้มาเป็นประจําแต่ว่าผู้ให้ทานไม่หลงตายก็ตายแล้วไปบังเกิดในสุคตินี่ข้าพระองค์ต้องเชื่อกับผู้มีพระภาค เพราะว่าพระพู้มีประภาสยาวจัดสรู้ข้าพระองค์ไม่ได้สัดสรู้ก็ขอเชื่อพระผู้มีประภาสยาวเอาไว้เนี่ยคือรู้จักกำลังของตัวเองแล้วก็คนที่เข้าสัมผัสภาคสนามเนี่ยเรื่องทานเนี่ยเป็นเรื่องที่ค่อนข้างยิ่งใหญ่นะในแง่ของสังคมเนี่ยมันซับเกิดขึ้นโดยไม่น่าเชื่อในบางครั้งบางครา ตามาหากินค้าขายไรคร่องมีคนเข้าส่งเสริมสนับสนุนแต่ต้องใช้ปัญญาต้องใช้ปัญญาเป็นเครื่องมือในการพิจารณาไม่ใช่ว่าใครบอกยังไงก็ให้เครชวนยังไงก็ให้เสดอกเคราะก็ให้บางทีก็โดยก็ถูกต้มนะเพราะเวลานี้คนต้มเยอะจังเลยคนหลอกลวงเข้าวัดเข้าวานี่เยอะเหลือเกินก็ต้องดูให้ดี มันั้นมันก็กลายเป็นอาชีพแล้วบางทีมันก็แต่งตัวเป็นพระเป็นชีด้วยแล้วก็ไปกันใหญ่เลยภาพลักษณ์ของพระของชีมีเสียหายหมดบางครั้งนี่นั่งรถผ่านไปนี่เห็นเข้าเนี่ยมันหูทูนะ่ะฮะบางทีก็จะเดินไปยผมต้องมนอยู่กจับได้เอา้าพระปลอมนะ่ะี่ยเนี่จึงมีการจับได้กันบ่อย แล้วก็ไม่ใช่พระจริงเรากลายเป็นพระปลอมไปแต่นั้นการให้ทานเนี่ยจึงจะต้องอาศัยความรู้ความเข้าใจในเรื่องกรรมแล้วก็ผลของกรรมอยู่ด้วยอมองเห็นทั้งระบบให้อะไรให้อย่างไรให้ไปแล้วได้ประโยชน์อย่างไรเป็นต้นั้งฝั่งทัไงหล่ปปยไปรบระโพธิญาณในวันนี้ขอุติไว้ด้วยเวลาเพียงเท่านี้ พ่สุดนี้ขอความเจริญงดงามไพยบุตรในธรรมจะมีแด่ท่านผู้ฟังทั้งหลายโดยทัวการทุกท่านเธิด